สั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สามในการจดของมุกกรานปวงองพันห้าร้อยสี่พ5นห้าส้าได้บะมีางวันนี้ก็จะขอแน้นธรรมบัญญัุกบริษัทเรื่องคนทำบาปเป็นพระอยซูเจ้าดีไห แต่เชื่อกย่น้นราโราคงม่ชื่อเพราวาในตอนต้นขอเตือนเราไว้ก่อนวาการเจริญรัฐธรรมนาญเป็นคุณใหญ่ในวิกฤตินายจ่งยิ่งยิ่งแนันด้งทางการให้สองถึงการรึกษาสาวนากาิน บันริงสามอย่างคือารการให้เราทาแล้วถึงาการละายเราแล้วเวนาระทำแล้วเามาเื่อการลาขึ้นจาการเทวนาผู้ป็นาารื่ว่าการอะไรกรรฐานต้องต้องมีครบงสามอย่างนะเท้าสิงสมาธิปัญญาทีา่บางท่านบอกว่า <c oughs> การเดินสุขบแลจะกวบันอันใครสมาธิอ<ล>ะอ่าเงี้ยโกวบันตอหลังแรกตัวตวันโกวบัสองตอนน้สุขะก้งยี่าอย่างน้นนะที่นยสุขบาลจะโกวเรม่รสมาธิ รือว่าท่านที่เขียนรือท่านที่พูดแสดงว่าคนนี้ไม่เคยทำเลยรือว่าไม่รู้จักคำว่าสมาธิคำว่าสมาธิคือการตั้งใจไม่ใช่หมายความว่าต้องทางแบบนั้นต้องทํแบบนี้จนเข้าไปแต่ท่านยังไงก็ตามแตต้องอยู่สุดากรารตั้งใจนืนท่านเจอสุอสขก็จโกว่าน่ะอิฆาณาที่าาทจเจริริยสัจ ก็ต้องตั้งใจเข้าใจว่านี่คืออรอยิยสัจอริยสัจมีอะไรบ้าง1นมีภพสอ2สมุทัยสามีโรสะสี่ 4. มรรคถ้าเขาเรยรู้รนี่ภกสมุทัยยศมรรคเขาสแสดงมีสมาธิเกือสมาธิสว่วรใจนะเรื่องการพิจารณาทุณค่าอุดมคติขอบเพศขันธ์ห้า ก็อเาิตที่ับมันจะตกเปียนเสมาธิถ้าท่านดีเสียนก็ดีท่าพูดก็ดีแสดงว่าท่านไม่ได้รู้อะไรเลยถ้าเรานทั้งหมดตองท้อมาสอย่างตัอถึงสมาธิจริญจัถ้าถึงบกขั้นสมาธิก็ไม่เกิดถ้าสมาธิไม่เกิดจริงจังพวกนี้ถ้าถึงบริสุดตรงตัวจิตใจก็ยัง ถึง ม, มาได้กับอะไรถึงก็มาได้จากสมบัติ้นหนึ่งนิจการความรักสองพุนาความสงสารถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารในจังตัวเราแสดงว่าผว้มีสี่นว่าสิ่งเกิดขึ้นกาศัยความรักความสงสารจิตจเกาเยอะอยูเราพวกคนที่เรารักระพบของพวกที่เรักระพบสัตว์ที่เรารักจิตใจรสบายมีความสุขสบา ชีวิตก็เป็นเดียวกันถ้ามีความนับในความโู้การไม่จันใจผมว่าผมเรื่องหนึ่งเมื่อจิตใจเย็นเย็นสมาธิตกเกิดสมาธิแบบวังตั้งใจไม่จะไม่ถูตัดเลยไปเมื่อจิตมีการทรงตัวปัญญาก็เกิดเหมือนกัคนที่กำลังนือง่อยู่ม อ, มอู่วตัวในชาแต่ดื่มแต่คน นานาหายเลยมองดูอะไรทั้ทุกอย่างได้รูท่ที่คือตัวบัญญาวันนี้ไม่คที่อพูดอย่างนี้น venes, ะนานลยพืคาว่ากายในกรรมฐานทุกคนต้องมีตั้งสิ่สมาธิปัญญาเอาแตในว่การนั่นเอนะข่องญญา้จุดต้นจริงๆปัญญาในวามอันดับแรกใกล้จะิดสมาธิปัญญ คือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเราเึืกว่าเราจะ ก, กาหนดรู้ลมได้ไกลตรงนี้เป็นสิ่งหน่ถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกตรงนี้เป็นคำพยัญชนะสติคือนึกคำพยัญชนะรู้ญญตัวสันาใจที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นงานที่ิตเป็นสมาธิด้วยสิ่งนี่ภาวนาด้วย ถ้บภาวนาเร er. ob ืองอะไรก็ตามอย่างต้นตอนนั่นน้ำบ่พุโถแต่ใครว่าอย่างไรก็แล้วไม่ต้องเกี่ยวตาอบจกไม่เกี่าวงนึกว่าจะภาวนาทีจะจะสักทีถ้ารู้ภาวนาจะไดูกอันี้คือสมัชจรยาตรงปราบทานาวนาก็ดีแต่เราลงไปก็ออาเป็นสัตสัมมาทิ สมาธิเรียกว่าตั้งใจอันคิดว่าตั้งใจมั่นหรือตั้งใจเฉพาะส่วนนั้นเองข้าจะถามว่าถ้าเจอสมาธิได้เล็กน้อยหมายความว่าได้จากสองสามวันที่เรเสือกเสือไปแล้วที่รู้เลือไปที่เจอหนึ่งมันแทะไม่ขึ้นมาได้ตั้งตนใหม่รู้สึกตัวจากสองสามวันที่ตหายไป อย่างนี้จะมีสุไหมก็ต้องขอตอบว่าแม้เพียงเท่านี้ก็มีใหญ่ก็อย่างเขาอาสองสามนาทีเวลาไม่ใช่เรื่น้อยสิ่งร้ายมากตามที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งคำสอนใ้บทประาทในบทกลอนในบทบทคนใดทำจิว่านจีเลยวันหนึ่งโชคขนาดจินี้ เราเขากล่าวว่าคนนั้นเป็นผู้มีจิตในบ้านแต่การทำไม่จิบ้าจะดีเลยสมัยฝากาหนักที่ญาติโยมรู้รู้ใจใจรู้ใจเข้าใจออกกาหนักนั้นไม่คิดถึงเรื่องื่ตั้งใจรู้วัตทเข้ากับรูองกจิงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็ตามเวลานั้นจุดใกล้กันลย เมือท<ๆ>่านควได้จตดใจจะค่อคคาองปัจจุบันภาวนาซึ่งภาวนาวัตถุโภให้ใจเข้าเลือกว่าพุทธไม่ต่ออกนิพพโนร่างจิตจดจอแค่นี้เพื่อแช่สองสามครั้งก็ตามเวลาที่เรานึกให้สุมรไม่แช่เราจะอบกอดที่คุ้ความภาวนาพุทโธไปเวลาหน้าเรากวรไม่แช่ปฏิบัาิเต็มที่ การจุกปนเด็กปนเล็กจะดีเลยปนเล็กน้อยมกาเาก็มีการสะสมตัวกันได้เช้าใรลมมากขึ้นติยานคนเช่พระเจ้าทรงตกัว่าคนที่มีสมาธิอย่างพระโสดาบันก็ดีก็คือการมีโทมีทั้งสองท่านนี้มีสมาธิเี็กน้อยมีปัญญาเล็น้อยจนถึงสูงว้่น ตัวเราตายโดยภานาแลาิยผู้โดสารทุกๆคนนะตอนแรกเราผูกเชร้าวันนี้เราพูกเึิการอันนันไปอันมาทุกๆคนตั้งใจมีอะไรผูกไว้เมื่อคนทุกคนที่เกิดมาไม่ํำบากนี่ไม่ดีนีไหมมีการมานนี่ไห คนที่เปิดมาแล้วไม่ทำบาปมีไหมมีเกไรตเกินรต้องเจเกิดแล้วไอ้ฆ่าเขาเจ้าฆ่านรณะแต่คนที่เจอมาแล้ไมทำบาปก็ไมีเลนธรมจะรู้ว่าถ้าคนทำบาปต้องมรณะก็ายไปปู่คนทำบุญไปสวรรค์ตายไปจริงตามนีคนไปสวรรค์ไม่มี นี่จะปปไปโกอนาคตจะไปมากเท่ารเขาเป็นมากทนะี่สนะก็คือว่าเราจะไปเฉลยกรณีจะไปนรกกรีมันอยู่ที่จิดตัวที่เด็กอากตายคาว่าตายที่ใช้ศัพท์ธรรมสาสก็บ้านนะเธอศัพท์ทารนนุสนาจะไม่เกว่าใาแต่ใช้คำภาษาละก็ตบว ถือตอนเวลาที่สงองไปแล้วแต่ตาที่บริการก็ไม่ใช่คนถ้เวลาที่จิตออกจากรางเวลานั้นถ้าจิตจับสนที่เป็นวุตสงซึ่งแม้เวลาจะทาบาปมากเราก็ควรสบาก่อนถึว่าเราจะทำุมากแต่เวลาจะออกไปจี่จะออกไปจิดจส่วนที่อป็นวุตสงที่บาปที่ก็ไม่จะลบก่อน ที่พระเจาทงแนำธรรมดาที่บริเวณจักรยานประธานเจริญธรมที่ะได้ยานาก็ต้องการให้ทุกคนมีความจริงในได้ของความดีคาว่าชาติออารมณ์จริงในด้นเลึอกึความดีเขาไว้ป่าจำตามที่ทำไว้สมบูรลงว่าจนยาการลึกถให้เลยไเลยแต่การยืิบาปมันยากนะ แ่าพยายามถึงเวลาเจอจะเดินกนนายวดีวุฒาพระสีเราไม่นิคบาทตั้งใจจิตจับเฉพาะพธิุุทนาของเราตั้งใจจำภาพท่านตั้งหลักตาก็ราะตาืมตาเพระาตาเพระตา่นทุกภาพ่านพาทนามูตะตัดัใจเว่าในการชอบพัว่าได้ เวลานัา้นกินเราไม่้บาทหรือลืมบาทเยอะถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเราไม่ดีแต่ <ừ. S 1> ลังจากนั้นตอนนอยก็ภาาอุโปโภคใ่ใจข้าวนี้ก็พุทธเจ้าอุปโภคกินเราไ่ยอมหรือบาทแต่ถึงว่าที่ต้องทางบาปในเรื ก, การทําบาปมันห่ามเราไม่ได้ <c oughs> เพราะบางคนทาไรทำโสเรื่องต้อขาดนะะมาแรงบางอย่างอันนี้ต้งองมีความตื ถ้ามมติว่าพวกน้นต้องฆ่ากับทุกวันเ่าจะไปต่วได้ไหมก็ต้องขอตอบตามประสูนะตรดีไหมถ้ายิ้งว่าฆ้าไปสูตรจะยิ้มนะสงารงแล้ว <c oughs> ก็เปิดเลยอย่างจตคราณที่ภูมิทมิตรอย่าลืมว่าเขาเป็นการการนี้ต้องฆ่ากับป็นจระจำแล้วก็มีสมาธิสูง มีปัญญาสูงก็เลยนะ่ตัดทิ้งใจกลางถึงหมดสมาธิเลิกตั้งใจมันม่นระพุงนี้คือนีต้องไปยิงดักต้องไปดักดักนะแล้ว้าตรงมีปัญญาไม่จะได้สูงในกำวงหนัช้างไถช้างมันต้องไถเชี่ยงกันไรมาที่ปะโยชนกปรยู่โซูงยิ่งแบบไรเชี่ยงที่มีปัญญา ญญญญะะจ ะ, ะาาญญ ว, ว่าเป็นปัญญาเราจมาธิ้คือเป็นวิชาทิ้งคตนนิพพานคนนีมีมีปัญญาเป็นลูกสามหาเศธิฐีแล้วลูกสามหาเศรษฐีคนนี้จะเป็นกระโสดาบาดัอยูน่าใจนะพรารเป็นไกรในกรโสดดาบันดีไหมันะถ่าหน้าเราเจอเรา เอนนาพดี ว, ว่าเต่ว่าสองคนเนี่ยใส่ใป็นสามีภรรยามาในค่ายก่อนที่เด็กโผล่ตื่นอีกว่าเนะวันหนึ่งในคราบเอาเนื้อไปขายตลาดฝ่ายสาวลูกส า, สามหาเศรษฐีมีที่หน้าตาเห็นเข้าเกิดควานชอบใจในที่สุดก็ให้คุณชายไปถามว่าในใครนี้จะกลับเมื่อไรไม่รู้เวลา กรองตัวเป็นคนใช้นีเื่องบ้าปดัเร่ประดับทาเพได้สายเกลื่อนไปด้วยะที่สองเป็นันยาขัการเจ้าสองคนในชายก่อนเคยมอบตัวเป็นชายเขาเกลื่อน่เขาเยาามจะดชยก่อนนะในในลำบากนี้หรือหาบาลีตามเ่าไปนะ่ว่าเราสร้างดะดีขึ้นมา ะจะไใเป็นคนรักษาในที่สุดตัวคงไี้ขอมอบตัวด้วยขอมอกทัพยสินด้วยเป็นท่ายองจิตของท่าท้ายิตไอ้ีเสียหายก็จะสั่งจะต้องการจะเสริมและกาทาศักดิ์วางที่หนก็นนเลยจะจะจะจะจะไป่อสายจคตาีัวนี้แหละนี่ถ้าต่อมามาเจอคุณไม่ใครใก็ท่านมีปัญญา ต่อมาก็มีลูกชายเจ็ดคนอาจากแท้นะมี่จะพระลูกชายเจ็ดคนวันหนึ่งองค์สมเด็จพระเทพสัตนคือหลวงพ่อจีจาวตัวตัวตัวปฏิสัยต้องศักเวลาเท่ามืดว่าวันพรุ่งนี้จะมีใครบ้างไหมที่ได้กระลุกทำมาทพิสมัยหรือหรือลงไปทำ ถ้าทำมาเป็นสมัยหมายถึงความเป็นพาระหันถ้าดวงใจที่ทำหมายถึงพระโสดาบันก็ทราบว่าคนสิบห้าคนในวันพรุ่งนี้ถ้าเราไปทรมานเรอจะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาบันคนที่พลาคนจะมากขึ้นหนึ่งในกรสองลูกชายเจ็คน เฉพสามรืสามคืกทีคนเนอนดเนีเมื่อสงครามนั้นเแต่มตอนขึ้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระเดชไปที่ชายมาโบ่ไปดักของไปในเมื่อเขาดักสัตว์เสร็จตอนขั้งโลกระตันตอนข้ามันนำตักินไปกินหลายเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ว่ากันนั้นพระพุทเจ้าพระเดชไป ก็มันได้แต่สลายไม่มาตามมันตอนเช้าจับการก็ไม่สนูหน้าไม้ออกแล้วไปที่จับจักเดินหาจักตัวไหนที่สบโมงตัวตัวนก็มีรอยจักเลยก็มีมองไปมองใหม่องค์ก็เลยจะเป็นสีที่มัศจารเจอเจ้าทับเฉยๆบนไม้ เอเอเรานึใใจว่าเจ้าโลนี่มันจะโดนนี่นะให้บอกเรไม่ได้หลายโลนกาบอลว่าเจ้ากลนี่จะพบทีไรเราไม่ได้จับตีวันนี้จีนก็บานนี่เยแต่ก็ใช้รูกนูโกงหน้าไม้ใจดีเพราะเจากองไ้ฐานก็โกงได้ห้ามรี่กให้โกงนะโกงแล้วไปเข้าสู่ ลอยไม่ได้ลดวงไม่ได้พอตอนสายแม่ก็สงสัยสัญญาสงสัยว่าทำไมพ้อเองไปเกษตรข้าถสูกปีนี้เคมาแล้วยังไม่ม า, าอันตรายอักลรายอาจจะดีิ่กชายแล้เห็กคนก็เป็นามอุ้อนนงพอมันถึงเขา้าถึงขอโขขั้นรูกเราคิดว่าคนที่นั่งนี่ต้องเป็นประตูงพ่อเพราะต่างวนกางโข ผู้ทราบไหวโกงตามเลยเป็นแปลกโกงเลยเปโกงท้านน่้ตอนสายหนักเข้าใส่เที่ยงแต่ทนม่เห LAURA, I I ็นว่าปัญาใส่ข้องพ่อ้งแม่อันตรายใจเกิขึ้นก็พานุสกายเด็กคนไปด้วยพอไปเห็นข้าวเห็นเส้นไปเรื่องชายโกตนกต้องตกใจ อีกสมัยก็เจ้าพวกคนเนี่ยทพ่อฉันหรือจะทำพ่อฉันก็ไฟเจ้าจะไม่อตายอยงไงนนี่ตารางใจก็แต่คิดในใจตายถึงจะยิดีกว่าตายเลยนี่ไฟเจะารู้ว่าพี่ว่าเราจะยิงายตายก็แม่เยอะยก็เป็นแ แมื่อกำลังใจลดลงตามเดือดตัวหายไปก็จะลดลงลดขาตายตายคลาทุกคนลดไม่ได้ตามปกติบางคนจะงรถตัวรถโนลงก็เข้าไปหาด้วยกันก็จะกลับทุงทุกคนขอไปว่าที่ทำไปทุกความไม่รู้กเจะรู้หลังจากนั้นไปองค์ก็จะโตลงกว่าสมทศ เพศก็ไม่มีอะไรมากเลยนะนวกนี้กำลังทาบาปนี้่นะทร ง, ง, ทนะงเพศให้ลืมความหลังเคียคือกลายข้าตรดตะวันตนทงางในในตะวันข้าให้ลืไปตั้งใจรับความดีต่อไปอัน น, น, อ น, นั้แทุกเจ้าตัวนี้กำลัเท่าใจเายมที่พอพรทุกเจ้ากำลังพระอริยส ต่อไปก็ตั้งจะแนะนำให้ส่งถึงห้าบร้ษัทหนึ่งอยค่าตดต่อไปยิ่งอีทีเขาเขาก็รักยิ่งเราเราก็รักถ้าเขาจะฆ่าเราเราไม่ชอบใจถ้าเราจะฆ่าเขาวันชอบใจดีการทำอย่างนี้เป็นของใน่ีถึงป่าเนื้อปลายเป็นไปอย่ารับรักอย่าเึิ่งปฏิญกาหรือพูดถางว่ามีสุรานี่อะไร เรื่องลมท้าเราเสียเลยนะสุภินัญชิตคนที่มีศีลมีมีอยู่ก็มีความสาจากความคนแล้วก็มีความสุขสี้เะโูกะสุมาชาคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์มีใช้ทรัพย์ในส่งน้ก็ไม่ดีหรอกไม่เสียรายการงานี้เลยนาว ที king, dog, the ่เรนโบสถ์สมุทรตาตายแกความเป็นคนใป็นโยดาเป็นนามพาหมณราเป็นิตสมบัติมากเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนร่ำรวยที่เรนนี่บทอิงยันติไม่เคยมีสิ่งอยู่ไปนิพผานแต่กูนะเจ้องค์ตัวนีประจันใจก็แนะนำเรื่องนิพพานให้เข้าใยคว่านิพพานเป็นของในยากให้ทุกคนลึกขึ้นความเป็นจริงจะเรือยแต พะเจ้าเสด่จทรงน้อนที่สตานสมเด็จหนึ่งเข้าใจในความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยากทุกสิ่งทุกอย่างที่จำจะต้องทนได้คือทุกข์อย่างที่บรรดาท่านพุทสัตน์นั่งอยู่เวลานี้ทุกข์ต้องไหมทุกอต้องหมายืู เราต้องนั่งนั่งมันจะประมาณตัวจังตัวทุกปางอยูมันจะประมาณเราทะเลที่มันก็ทุกการปูอจาระปัสสวะก็เป็นทุกร้อยเกินไปก็เปทุกจริงเกินไปก็่ปทุกปางแก่ก็มาถึงก็เป็นทุกปางป่วยไข้ไม่สบายก็มาถึงก็เป็นทุกการประตอบสมาธิว่าเป็นไงลมันไม่พอใจมันก็คอยเปนทุก แตระทาแต่ของเราตอนก็แต่หมดสุดใช้ทุกความไปจะเข้ามาเป็นโลกุกความในโลกนี้ทั้งโลกเป็นโลกที่ความทุกข์ไม่ใช่โลกทุกความทุกข์แต่คะแนนต่อไปทุกมาจากไม so so ้มาจากปัญหาปัญหานี่แปลว่าทายาที่ร่อนเกินไปถ้าหายดินโดยเฉพาะไม่สใจ ก็แสดงใจก็ไปต้องเปนเรื่องที่ฉันทำมาร่องน้ต่อไปตัอถาไม่ยากใจลยที่ยังไม่ได้ทำจะได้ขอรบคนจงปฏิบัติตนละสัญหาเชียคือมีความพอใจก็าความสมาที่เรามีอยู่เรามีความสมมารถขนาดไหนเพว่าเรามีเรื่องแสงหนึ่งพอใจไหมไม่ทราบพอระ จะเิไม่พอต้อพอกพอมันจะรวยไนเยอะเท่าไรก้อยันได้เลยใช่ทีมันทีขายแปก็ต้องได้เท่า่ก็เรื่องความว่าจะได้ขนาดไหนคอใจแค่นั้นได้น้อยจริงน้อยใช้มากจริงมากแต่ที่นี่ได้น้อยจริงน้อยก็จริงนะทีได้มากจริงมากก็จริง ต้องได้ถ <orang> ้าขสารแผงเดินไปเราซื้อกระปุกมแทน่ไหมกินก็ปุกใช้ก็ะปุดก็เป็นในตัวเวลาหนึ่งน้อยก็เป็นว่าทุกข์กับโลกก็โลกมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่เราจะหนีทุกข์หนีรืงอะไรตัขหาสินี่เรนนั่งสุข็มอย่างนี้ ถ้าเราเป็นคนมีสิทธิ์อยู่ชาตินี้ก็มีความสุขไม่จะมีความทุกข์บ้างหธรรมดาเล็กน้อยใน่อยถ้าตายจากความเป็นคนเป็นรักหรือเวลาเป็นนากบ้าก็มีความสุขเติเป็นคนใหม่ก็เป็นคนอายุยืนยาวต้องใช้ให้เล็กน้อยมีคนรักรวยรวนึกตาเขาก็มีความสุข ตรนี้กก็หาสุี่เลยนะรธรรมชาถ้าเราเป็นคนมีสี่ทรัพสมบัตใช้ไม่เตเราองมีความในสุขในความีอยู่ถ้าตายแก่คนเป็นนักฟ้ามีเจ้าดก็มีความทรสบัติมากถ้าเกิดเป็นคนใหม่เราตอมีทรัย์บัตรมากนีเลยเราไม่ถึงเร่างจิตถึงจะดินแดนในป่าสง ถ้าเราเป็นคนมีเสื่อความมุ่นมายพุทธิก็มีน้อยจิตมีความสงบมากมี้ความสงมากที่พักระดับในที่ศักดิ์เซืต์เรามีสิ่งสิงเป็นไปใจเข้าถึงปฏิภาณได้ถึงได้เราภาวนาสิเราภาวนาในเมื่อพระเจ้าเราเสด็จลงทั้งจิตทั้งคนเป็นอัญญาเป็นบาสูราบันหมด ธรระนี้เป็นสุดปัญญาปัญญาเป็นโุราบัญญัติอะไรมาเลยนีงนี้ตัญหาที่เรามีอยู่ว่าเห็นว่าผู้เจ้าศำลังมาจากเทือกเขาเหนือได้เป่าแต่ว่าไม่ได้ใส่ลมเสียแกงโมหรือหมุดนาหลับมาจากเทือกเาเมืองถายว่าไปเห็นหมา เชเลยรว่าเป็นกรรมการทรลุตายสไปเป็นมรรคดาบันโระนหนึ่งไทที่ตอนนเยเป็นอุบาทวูหลงก็มีว่าพระพุทธเจ้าไปเทศน์ที่ไหนพ้าว่าเอยู่ก็กลับมาเทศของราถ้ามันก็จำในว่าพระพุทธเจ้าเทศนจบก็มีที่สุดถ้าแกจะไม่ทำงานก็แก อิระแก่ๆสองสามองค์พันคนทางวิจัยกันว่าในเมื่อพระโสดาบันเป็นเหี้ยของกรางเวลาทำสามินจะได้ฆ่ากันจะให้ออกมากจิตนนหน้าไมมาจิตรงมาอยู่แี่ยวมาอย่างนี้ก็แสดงว่าพระโสดาบันมีการนาบาปของสานีที่จะช่วยโสดาบันนี้เป็นยังไง เอาเขาเปิดด yeah. you know, ูดตอบได้นะเกี่ยวกัจญาตรงยมชาตของพระเวนตระมาห์อาพิโตเวดุกอบยสุตระไรพูกเธอสงสัยอย่างนี้อาจารก็จะพูดต่างว่าปัญญาเขาจะเป็นมรรคดาบรรดรสวาปัญญามีศาสตร์ักรรมท่านผู้สนื่องจากในต้นทีนห้าบปจนถงบทสืบเนื่อง เนการจิตของยุตโนนาไม้เป็นหน้าที่เมื่อญาติรับใช่กับท่านียู่ใเมื่อเขาจิตคนจิมาแต่ใจไม่ต่างญาติสัตวนเมื่อตัวเถาณุจิตบ่นะนที่เมญญาะิรับใช้พี่พ่อพี่ที่ส่งไปให้ยุตโนนาไม่เมื่อส่งไปให้เมื่อเขาไม่ได้ฆ่าใส่ก็ไม่ได้รับใ้ได้่าใส่แต่เมื่อเขาใช้คำว่าทําตามหน้าที่อย่างนี้เจอปา แล้ตมได้สมาธิก็ไม่ได้ดีใจด้วยเพราะสัพเพเหตุผลเสายกตาและตาตามคาสั่งเพื่อทํามระนาจยัญญาถาไม่ดีนะจะใถามที่ตอบตามผ้เจ้าันตอบนะ้าเราผิดตามมาเลยผู้เจ้าผเปียญครับเพความว่าเข้มงดาโยผู้ริสุทธิ์ทุกคนทุกวันถ้ามีความจาเป็นต้องทำบา ยังก็คุมคุทกอ่า้เวลาที่ทำแล้วกลับมาบูชาพระลืมบาปลืมบากเสียเรื่องอะไรตั้งใจฟูดตัวภาวนาว่าพุทโบ้างถ้ามาแล้วมันต็อะไรก็จะตามต่อไปถ้าเวาวิชาพระมนุษย์ถึงเะพาะพระเวลาเราจะหลับนุถึงจะเพาะที่ภายในรจ ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไปนิพพานถ้าชาตินี้ตายอะไรไปนิพพานวันน so so ั so far, os, ้นก็บอกราวุฒิจับมุมขึ้ใจตลอกที่อยากใจก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเข้าสภาวปนิชฌานเอาแค่นี้มาดาจะพุทโดจักขอยห็นใจว่าทุกคนทาได้จริงทำมาทำได้จริงนั่หมายคามเวลาเข้าบนปักถึงเวลาบานลา ต้องใหม่ในทุนบาทแล้วก็ภาวนาผู้สูั้งใจปิบัติพอตือมารักจิตแล้ราไม่ปิบัติทันทีจะภาวนาอย้างยังไม่ปฏิบิถ้าจิตสัจจานยังนี้ทุกคนละลายถ้าเวด็จลาลายก็นำบามีที่มความสำคัญถ้าบาลมีพวกเรอย่งออกถ้าเวลาไปก่อนไปมีความสุข ก็อะไรไนมะปลาจะสุดได้ใครุูได้ทุกไปใช่ไห้งลมนรกแน่นอนให้เห็นปา่าถ้เกิดกระสันอินชยัยเห็นก้อนเนือดถเกิดสมนุนะภาพที่ข่อยาตายนะี่ยแต่นี้นเราเป็นคนมีบุญเมื่อไม่าตายจริงๆแม้จะบุญน้อยเอา น, นึกถึงก็องปฏิจจาระวุธโองไว้ ดะนั้นเังไม่จิตใจในเครื่องจังไรคนยัามีนุกข์โว้วายตอนจะตายประมาณสามวันจะมีรถพิฆบรัก็พราะพรนเจ้าดาณราแบกหลังถ้าเราเห็นยุานางฟ้าอยู่ตรงหน้าตรงอยู่ตกลางกระหนุนขวางเราก็คือปลอดภัยแต่เราเห็นตรงอยู่ตรงหน้าก็ะหนุนตรกลางนางฟ้าจะได้เลื่อหลังเราเปิดตรง อะไรก็แล้วแต่เาหน้าก็เนหน้านั่นเป็นแฟนแนี่ยเราได้เราไปดูสักคนเดายวคนนนะ